แต่ว่าเป็นไปตามลักษณะขององค์ผู้นำศาสนาก็คือองค์พระพุทธเจ้าท่านสำเร็จธรรมด้วยสี่ประการแล้วก็โปรงตกปรงตกหมายความว่าปรงจนมีความเข้าใจแล้วท่านก็ละในสิ่งที่ทั้งสี่ประการนี้ไป เราเรียกกันว่าจิตหมดจดอุปปกเเลศหรือความสมองเหล่านั้นก็คือการปลงลูกข้อที่หนึ่งข้อที่สองปลงเวทนาข้อที่สาม โปรงสัญญาคือการยึดติดแล้วก็สุดท้ายคือโปรงจิตของตอนเองให้เกิดเป็นลักษณะจิตจิตแปลว่าจิตก่อนที่เราจะไปโปรงสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะ จิตกับธรรมลักษณะเดียวกันอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงคําว่าธรรมแต่เอ่ยคําว่าจิตถ้าจิตของเรานิ่งจิตของเราเฉยนั่นคือจิตที่เป็นธรรมแต่ถ้าจิตของเราไม่นิ่งไม่เฉยยังแกว่งไปแกว่งมาหรือว่า ยึดไปยึดมากับเรื่องราวของกายเวทนาจิตมันก็จะทำให้เกิดเป็นภาวะเรื่องราวของอารมณ์ที่สัน ต, ติขึ้นที่เราเรียกนว่าวิญญาณมีหลายเรื่องที่จะต้องพูดแต่ว่าจะพูดให้เข้าใจถึงลักษณะว่าเราจะต้องปรงอะไรกันที่เราเรียกกันว่าปฏิบัติธรรม ปกติตอนนี้เราต้องการจิตถ้าจิตเราดีจิตเรานิ่งจิตเราเฉยสามารถที่จะใช้จิตตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้เพราะเรามีหน้าที่ตรงนี้ว่าทำจิตให้นิ่งให้เฉยให้สู่สภาวะสมาธิ ก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องของกายเวทนาจิตหรือธรรมเราต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่ามานั่งกันอยู่เฉยๆมาเดินเฉยๆมายืนเฉยๆโดยที่ว่าจิตไม่รู้จะทำอะไรจะปลงอะไรจะพิจารณาอะไรมันก็จะไม่ได้คันลอง ของเรื่องราวของผู้ปฏิบัติตอนนี้เขาเรียกว่าจิตสร้างบา ร, รมีบา ร, รมีแปลว่าผู้มีปัญญารู้จักสิ่งที่ตนเองอยู่อาศัยอะไรบ้างที่เราอยู่อาศัยแื่หนึ่งเรื่องของกายละ ที่เห็นชัดเจนว่าเรื่องของกายว่าเราอาศัยกายข้อที่สองอาศัยวาจาข้อที่สามอาศัยวิญญาณจิตเราอาศัยอยู่กับสิ่งสามประการนี้หรือสามข้อนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราเข้าใจถึงลักษณะอาศัยสิ่งทั้งสามเนี่ยเราจะต้องสร้างความเข้าใจกับสิ่งทั้งสามหรือคติธรรมสามข้อเพื่อให้เกิดเป็นลักษณะทุละหรือหน้าที่หรือการงานที่เราจะต้องให้ความเข้าใจขึ้น ตอนนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามาอาศัยอะไรเรามาทำอะไรกันตรงนี้มันก็เลยอันนี้คมะหรือการเพ่งเลงนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่ที่เราอยู่เรากาลังจะปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเรื่องราวของความเศร้าหมองให้เกิดเป็นความสงบเพราะว่าทุกองค์หรือว่าผู้ปฏิบัติ ก็ได้รับกรรมฐานมาจากต่อหน้าองค์พระประธานอาหารคันเตนิสยังหยาจามะ้าอุปชาได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งองค์พระขวาก็จะให้กรรมฐานห้าข้อเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาหมายถึงผมขนเล็บันหนังเนื้อ อามัปลงเพื่อให้พิสุหรือผู้ปฏิบัตินั้นสงบขึ้นก่อนที่เราจะปลงทำความสงบต้องสร้างความเข้าใจจะไปสงบเองโดยที่เรียกว่าไม่มีความเข้าใจนั้นสงบไม่ได้นะพราะฉนานเรื่องของจิตเป็นวาละแรกที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างความเข้าใจ จิตคือจิตขนาดนี้เราดูได้เลยจิตคือจิตถ้าจิตไม่ถูกปรุงจิตจะอยู่เฉยเอาละเราจะเห็นกันชัดๆเลยตอนนี้อารมณ์โกรธไม่ปรุงจิตจิตเป็นยังไงจิตเราจะอยู่นิ่งเฉย ไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่มีชังไม่มีอาฆาตพยาบาทจองเวรอิจฉาลิสยาหรือคิดทำลายไข่คือเราเอาตัวโกรธขึ้นมาเป็นเป็นการศึกษาหรือว่าเป็นประทับฐานที่เรียกว่าเขียบเพียงเรื่องของจิตแล้วเราคิดดูที่ว่าอารมณ์เป็นของเราหรือไม่ใช่ของเรา แต่มันจะสันติในขณะที่ความไม่พอใจเกิดขึ้นเท่านั้นมันจึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าความไม่พอใจไม่มีมันจะไม่เกิดก็แสดงว่าจิตตรงนี้อาจใสยสิ่งนี้อยู่เพื่อดำเนินเรื่องให้สมกับลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เ้าเรียกว่าเจตสิก ผู้ปฏิบัติเห็นไหมเห็นชัดไหมว่าจิตกับอารมณ์หรือว่าโกรดนั้นไม่ได้เป็นอันเดียวกันเลยเมื่อก่อนนี้เราอาจจะคิดว่าอารมณ์เป็นของเราเราไม่ได้คำนึงถึงแล้วคำว่าจิตเลยแต่ว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เราจะใช้ทันที ในขณะที่เรายังไม่มีการศึกษาหรือว่าสร้างความเข้าใจกับเรื่องนี้อารมณ์เราได้เกิดขึ้นมาเราจะใช้ทันทีเลยไม่ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะเกิดในลักษณะของสันสติข้อไหนเช่นตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเกิดเป็นลักษณะพอใจไม่พอใจนี่เขาเรียกว่าธรรมอารมณ์หรือตามหลักเรียกว่าวิญ ญ, ญาณ วิญญาณเป็นสื่อของกระแสจิตแต่ถ้าจิตนิ่งไม่สนใจวิญญาณวิญญาณอาวิญญาณก็จะอยู่เฉยเนี่ยตรงนี้เราต้องสร้างความเข้าใจให้ดีว่าเรามาระดับเรื่องราวของจิตที่พระพจาาจะเรียกว่าจิตเดิมของเราคือเรามาเพียงจิต แต่สิ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้คืออาศัยเรื่องราวของรอบรอบจิตก็คือกายหรือว่าวิญญาณแต่ถ้าไม่มีกายไม่มีวิญญาณแล้วมันก็จะอยู่เฉยเ ร, เราอาจจะอยู่เราอาจจะเห็นถึงลักณนะเฉยก็คือคนตาย กายนิ่งแล้ววิญญาณนิ่งแล้วมีอะไรเคลื่อนไหวในวิญญาหรือกายนั้นบ้างเราก็เคยเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากอยากให้มีความเข้าใจถึงคาว่าจิตขึ้นเราจะได้ลำดับเรื่องราวของปฏิกิริยาในสิ่งที่จะต่อเนื่องเรื่องของการเคลื่อนไหวคือกายเคลื่อนไหววาจาเคลื่อนไหวอารมณ์เคลื่อนไหวภายในจิตเราจะได้เข้าใจ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องจิตเนี่ยอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรมันเคลื่อนไหวทำให้เกิดเป็นเป็ิกิริยาและบทสุดท้ายของปฏิริยาเราเรียกเป็นวักกรรม mm hmm. คือเราเราเราเราทุกคนนะผู้ปฏิบัติทุกคนเป็นต้นไม้ปลายกิ่งไม่ใช่ต้นนะเป็นต้นไม้ปลายกิ่ง ต้นหมายไายกิ่งหมายความว่าไงเราอยู่กับพระธรรมเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่กับพระพุทธหรือว่าพระพุทธองค์ถ้าสมัยอดีตการ์นี้เขาเรียกอยู่กับต้นธรรมคือพระพุทธองค์ทรงทรงเป็นผู้ที่เรียกว่าสอนพุทธบริษัทเราเรียกกันว่าต้นก็อยู่ปลายนะอยู่ปลายก็หมายความว่าอยู่กับพระธรรม ถ้าเราไม่เชื่อพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้าเคยสอนไว้เราจะเอาอะไรมาเป็นเรื่องความเชื่อขึ้นที่เรียกว่าศรัทธาความเชื่อภาษาทาเริ่มใสเนี่ยเราจะเอาอะไรขึ้นมาเป็นความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อพระธรรมเท่าทนั้นเราเป็นต้นไม้ปลายกิ่งเนี่ย ก็คือต้องโยนิโสมนานสิกายก็คือต้องต้องพูดกันย้ำแล้วย้ำอีกสอนแล้วสอนอีกถ้าเราไม่ใช่ประเภทฉับพลันสอนทีเดียวรู้เลยครั้งเดียวรู้เลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าครั้งเดียวรู้เลยนี่เขาเรียกว่าลขาเรียกว่าดอกโบพลนาม ฟังคำสอพพนพระเจ้าครั้งเดียวก็สำเร็จเลยรู้เรื่องเลยแต่เราอยู่ในลักษณะกึ่งกลางน้ำจะว่าพ้นก็ไม่เชิงไม่พ้นอยู่กลางอยู่กึ่งน้ำก็ไม่เชิงอยู่กึ่งกลางของน้ำคือกำลังจะพ้นหรือไม่พ้น <S <S มันอยู่ที่มีการพัฒนาเรื่องของจิตอันนี้ขึ้นถ้าจิตมีการคิดในสิ่งที่ดี เข้าใจในสิ่งที่ดีดอกบวัว น, นี้จ ะ, จะค่อยๆโตขึ้นค่อยๆลอยตัวขึ้นจากน้ำซึ่งเราเรียกกันว่าตามภาษาปรามัดธรรมเขาเรียกว่าสีเหลืองก็เถื่องจิตแต่จิตที่จะเป็นสีเหลืองนั้นจิตจิตจะต้องอยู่ในลักษณะของสีแดงคือมีการขี้คลายขึ้นทำฟังเข้าใจขึ้นอาจจะพูดอ้างอิงไปถึงปรามัดนิดหนึ่งคือเรื่องของแสงสีสิ่งที่ได้เคยพบไคเห็นมา เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเร า, เราเริ่มฝึกกันเราเริ่มทำความเข้าใจเราเริ่มสอนกันตั้งแต่คําพศามาคือแลมค่ำเนะี่ยมาถึงวันนี้เราจะต้องย้ำเรื่องผิดให้มากๆขณะที่ผู้บรรยายสอนเราต้องจดจำสร้างความเข้าใจขณะที่ผู้บรรยายหยุดให้เวลาผู้ปฏิบัติเรียบเรียง เราต้องไปเรียบเรียงขึ้นจะมีลักษณะบรรยายบ้างเรียบเรียงบ้างคือบรรยายไปบ้างแล้วก็นิ่งแล้วก็ผู้ผู้ปฏิบัติเลือผู้ฟังก็เรียบเรียงให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในคาว่ารู้เข้าใจเหมือนกับว่าเราพบธรรมต้องศึกษาธรรม เมื่อเมื่อศึกษาธรรมแล้วต้องปฏิบัติธรรมไปตามแนวทางของธรรมที่เข้าใจเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปตามแนวทางที่เราเข้าใจก็ดูมรรคผลที่ทำเมื่อเราดูแลมรรคผลเราก็จะเห็นว่าอะไรที่เราได้ไม่ได้อะไรที่เราปรับปรุงไม่ปรับปรุงอะไรที่เราแก้ไขไม่แก้ไข จะ ต, ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันนั่งมันเดินเพื่อให้วันเดืนอนวันเดือนปีผ่านไปโดยที่เรียกว่าไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้บรรยายก็คือผู้ชี้ผู้ชี้ชี้ไปชีไปสู่พระพุทธองค์คือต้นแบบ ชี้ไปหาเราพูดอยู่ในลักษณะเรียนแบบพราะะนันเรื่องของจิตอาจจะต้องอาจจะต้องตารลบกันเยอะๆเลยเรื่องของจิตถ้าจิตไม่เข้าใจจิตก็คือจะสามัญสามัญของจิตทั่วไปสามัญจิตทั่วไปก็คือ ยังหลงละเลงอยู่กับเรื่องราวของอลงมในโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างและปีกย่อยของลาอ่าโลภะโทสะโมหะมันก็มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วคือไม่ไปไหนจะว่าเตว่าจิตนั้นเย็นลงอ่อนลงก็ไม่เชิงหรือว่าร้อนขึ้น หรือปกติก็ไปเฉิยก็อยู่เฉยๆลายไปจิตสามัญไม่ได้มีไม่ได้มีจิตที่เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอะไรที่เราใช้คำว่าพัฒนาก็คือก็คือคาคาที่พระเจ้าบอกว่าอาริยะนั่นเองอริยะแปลว่าผู้เจริญหรือผู้ที่มีความเข้าใจก็พยายามที่จะทำจิตตัวนี้ให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้น ไม่ไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมมาอย่างไงเป็นอย่างไงถ้ามาอย่างไงเป็นอย่างนั้ น, าางง เ, น, น, นเขาเรียกว่าจิตสา ม, มันจิตธรรมดาแต่ถ้าจิตมีมีเขาเรียกว่าจิตสํานึกจิตมีสติมีสัมมชัญญะสํานึกขึ้นจะมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวของอารมณ์ที่เข้ามาสู่ลักษณะปรุงกระต่จิตพุะเจ้าเเรียกจิตว่าจิตไหลน้ําหนัก คือจิตของเราเนี่ยอยู่เฉยๆไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเหมือนนุ่นเหมือนสัมฤทแต่ถ้ามีอะไรมากระทบมันจะแกว่งมันจะกวักวยไปตามลักษณะของสิ่งกระทบแล้วก็ท่าทีขันห้าที่เราอาศัยอยู่มันก็จะเป็นไปตามลักษณะสิ่งที่กระทบกับเรื่องราวของจิตอย่างที่เราเคยทนไม่ได้กับเรื่องราวของอารมณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้กายเราเคลื่อนไหวทําให้วาจาเราเคลื่อนไหวทําให้จิตเราเคลื่อนไหวไปสู่ภาวะต่างๆของอารมณ์เหล่านั้นเราเป็นมาแล้วเราต้องย้อน ด, ดูในลักษณะดอดีตที่เราเคยใช้อารมณ์ไม่เข้าใจจิตใช่ไหมทําให้เกิดเป็นลักษณะอะไรโกรธเครืองอาฆาตพยาบาทจองเวนหุดหงิดกลุ้มใจขับแค้นใจ เสียใจโศกใจอะไรประเภทนี้ดีใจสาภาพที่มันจะเกิดขึ้นกับเรื่องราวของการกระทบจิตโลกนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราติดเนี้ยพอใจนั่นก็คือกามคุณ กามกคุณก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่เราเรียกว่าพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในสัมผัสมีความสุขมีความสุขกายสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือกามกคุณพุทธเจา้าเขาเรียกว่าโอคาคือ คือแม่น้ำที่กั้นกระแสจิตทำให้คนเราไปไม่พ้นกับเรื่องราวของอัตตาแห่งการยึดถือคือเราเราคือเราพูดหมายความว่าไม่ได้พูดให้พ้นนะแต่ว่าพูดให้เราเข้าใจจิตเรายังยึดอะไรมันถึงไปไหนไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งนี้เพราะเราเป็นต้นไม้ปลายกิง่ง คือกำลังปฏิปัญญาของเราไม่เพี้นคอกับเรื่องราวของการตัดหรือการละแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่สามารถจะจะช่วยกับกระแสจิตดรงนี้ได้ก็คือความอดทนเท่านั้นจะให้ตัดคงตัดไม่ได้จะให้ละคงละไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถจะเข้าถึงได้ก็คือความอดทนเท่านั้นเพราะนั้นบารมีจึงแปลว่าผู้มีปัญญา สร้างความเข้าใจด้วยความอดทนนะให้เข้าใจตรงนี้นะบารมีแปลว่าผู้มีปัญญาสร้างความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่อาศัยแล้วก็อดทนเหมือนอย่างสมมติว่าใครมาทําให้เราโกโรธเนี่ยเรารู้แหละไอ้ตัวโกโรธนี่มันมันจะปรุงเสี่ยงติดข้งเรานี้ให้สเลิดเปิดเปิงไปมีเรื่องมีราวมีความทุกข์มากมายก่ายกองไม่เอาไม่โกรธเพราะเราตัดตัวโกโรธไม่ได้ เราต้องทนตรงนี้แหละผูกปฏิบัติสามารถที่จะสร้างบา ร, รมีซึ่งเป็นขั้นต่อไปเรามาสร้างบา ร, รมีเพื่ออะไรเพื่อหนีอารมณ์กรรมตัวกระทาที่จะทำให้เกิดเป็นชีวิตต่อไปในอนาคตแน่นอนเราต้องมีชีวิตในอนาคตแน่นอนแต่ว่าให้มันน้อยลง หรือว่าให้เป็นรูกมนุษย์ต่อไปอย่าให้มนุษย์เสียสลายกลายเป็นลนักษณะอบายภูมิคือสัตว์เมื่อมาพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะให้เข้าใจนี่ว่าที่นี่สอนจิตให้รู้จักอารมณ์เพื่อเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ดีคือคือมนุษย์ที่อ่อนโยนกับเรื่องราวของอารมณ์ มนุษย์ที่มีความขันติอดทนต่ออารมณ์มนุษย์ที่มีความให้อภัยหรือว่านิ่งเฉยนิ่งเฉยก็คืออดทนต่ออารมณ์นี่คือมนุษย์ที่ดีแต่แต่คงไม่ต้องพูดถึงว่าเทวดาอินพรมหรือพระอารหันต์คงไม่ต้องพูดลราก็มีความอดทนอดกลั้นต่อเรื่องราวของอารมณ์ในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยรู้จักได้ไหม แต่ถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ยังยังยังอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้จักโอกาสขณ า, ามีสูญสลายแนี่ยสูญสลายเพราะอะไรเพราะว่ากายกรรมวัตถกรรมโนกรรมแห่งการสะสมนั้นเขาแปลว่าผู้ไม่รู้เมื่ออนาคตต่อไปเขาเรียกว่ามนุษย์ล้มละลาย ก็คืออบายาัยภูมิทั้งสี่คือเร ล, ลกสัตว์เปรตอสุรกายเป็นที่อยู่ของคนที่เรียกว่าจิตไม่รู้หรือรู้แต่ไปททำมีติดชีวิตลมละลายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงบอกว่าโลกมนุษย์ เป็นโลกบริสุทธิ์แต่มนุษย์จะต้องมีปัญญามีปัญญาไหลมีปัญญาทำความข้าใจกับเรื่องราวของที่ตนอยู่อาศัยเรามีเยอะหมดเลยที่อยู่อาศัยเช่นกายวาจาอารมณ์นี่อยู่สัน ต, ติคือติดกับจิตเลยออกจากนี้ไปก็คือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านะอา สามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนบ้านร้านถิ่นเพื่อนเกิดเพื่อนตายมากมายเลยในสิ่งที่เรียกว่าอาศัยกันอยู่แต่นี้เมื่อเราไม่เข้าใจถึงคําว่าอาศัยสามประการคือคติธรรมสามข้อหรือกายวาจาจิตแล้วเราจะไปมีความเข้าใจกับเรื่องราวของติ่งนอกไปอย่างไรคืออย่างคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป่านะอาเพื่อนเกิดเพื่อนตายเข้าใจได้อย่างไง ในเม่าสิ่งที่ติดอยู่กับจิตไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนิคัมมะเนี่ยอ่นิคัมมะการณ์เสยโยเนี่ยหมายความว่าไข้ครควนชีวิตของเราให้เข้าใจหรือว่าให้ชัดเจนขึ้นหรือว่าพิจารณาให้เข้าใจและให้ชัดเจนขึ้นในสิ่งที่เราจะต้องอาศัยหรือว่าอยู่กับเรื่องราวต่านี้ ในเมื่ออัสมิมาณนะอัศสาภาษาศาสายังไม่สิ้นอัสสาภาษาศาสาหมายความว่าลมหายใจเข้าออกถ้ายังไม่สิน้นจะต้องดูแลเรื่องของกายวาจา จ, จิตที่ซ่อนเล้นมาสู่คำว่าอารมณ์ของวิญ ญ, ญ, ญาณให้เข้าใจไม่งั้นจิตมีพันธะผูกพันกับเรื่องของนีกรรมกรรมต้องมีแน่ แต่อย่าเป็นกรรมในลักษณะอนันตรายกรรมคือกรรมหนักเช่นเกลี้ยกล่ดกับคุณพ่อคุณแม่ด่าคุณพ่อคุณแม่ประทุษร้ายคุณพ่อคุณแม่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ทิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอนันตรายกรรมคือกรรมหนักของห้ามคือพระพุทธองค์อาส่งห้าม อย่าคิดร้ายต่อคุณพ่อคุณแม่อย่าทำร้ายคุณพ่อคุณแม่อย่าด่าคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดสังขารอันนี้ให้เราอยู่และอาศัยทำไมจึงคิดทำร้ายในสิ่งที่ตนเองอยู่อาศัยผู้รู้ผู้จเจริญย่อมติดเตียนกับเรื่องราวของบุคคลที่ทาร้ายหรือประทุษลาย กับสิ่งที่ตนเองอยู่อาศัยคือคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนเรื่องราวของจิตเนี่ยให้ดีๆนะลําดับเรื่องจิตให้ดีๆอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปในลักไม่เข้าใจจิตนะเขอที่นี่จะสอนเรื่องจิตเรื่องอารมณ์ สอนมาสามสิบกว่าปีแล้วก็สอนเรื่องจิตเรื่องหลแต่ว่าอันดับแรกเลยคือต้องรู้เรื่องจิตเคยพูดไ ว, ไว้ให้เราได้คิดว่า <c oughs> ถ้าโคโดมผสมเหตุไวในเขตนี้ใครยิ่งแกล้งกไายิ่งได้ดี ถ้าไม่เชื่อคาสอนเหล่านี้ก็ตามใจก็หมายความพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักชีวิตที่เกิดที่ดับรู้จักความท้าหมองของชีวิตที่เกิดขึ้นและรู้จักวางสิ่งต่างๆที่ท่านรู้จักไปนิ่งๆเฉยๆท่านก็ไปได้ทุกอย่างนะ อยู่กับตรงนี้เองดีชั่วหนักเบามนุษย์ตัดเปรตอสุรกายอยู่ที่กระแสจิตทั้งหมดสมมติง่ายๆว่าเราเห็นคนนั้นทำชั่วคนนั้นทำดีแต่เราไม่เคยดูตัวเราเลยว่าเราเป็นคนดีหรือคนชั่วเนี่ยไม่เคยดูเลย แต่เห็นว่าไอ้คนนั้นชั่วไอ้คนนี้ดีมันก็เลยเป็นนิสัยที่ชอบดูคนนั้นดีคนนี้ชั่วอยู่ก็ทั้งตายเลยแต่ไม่เคยรู้จักว่าชีวิตแล้วเนี่ยดีชั่วเป็นยังไงไม่รู้เลยนี่ก็คือขาดนิคมัมมะคือการดูแลตัวเองคือการสร้างความเข้าใจกับตัวเองพราะฉะนันประพัฒสอนนะคือกระแสจิตท่านนิ่งเฉยเฉยอยู่เฉยเฉย เขาเรียกว่าจิตปกติจิตสะอาด จ, จิตบริสุทธิ์เมื่อจิตเราสะอาดบริสุทธิ์และดีแล้วเราสามารถจะคิดอะไรที่อยู่ข้างๆจิตได้ชัดเจนที่เขาเรียกว่านิสัยที่เคยทําไว้นิสัยที่เคยกองอยู่นิสัยที่เคยใช้อยู่ก็คือนิสัยกายนิสัยวาจาแล้วก็นิสัยของกระแสจิตที่เคยทับถมอยู่กับเรื่องราวสิ่งนี้ ที่มาที่มาปาลบตรงนี้ก็คือคือคืออยากให้มีความเข้าใจเท่ากับวันนั้นเป็นเป็นบทเรียนของการศึกษาเรื่องพระสูตรพระวินยัยพระสุตตันแต่กลางวันนี้เรามามาศึกษาเรื่องผิดเรื่องอารมณ์กันว่าอารมณ์มันเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไงทำไมจึงเรียกว่าจิตดีทำไมจึงเรียกว่าจิตไม่ดีทำไมจึงเรียกว่าจิต ปุถุชนสาวุชนกระยาชนอริยชนซึ่งเราพูดกับตรงนี้เราพูดเฉพาะจิตจิตกระยาชนกับจิตอริยชนเท่านั้นปุถุชนสาวุชนนี่คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าจิตที่จะเป็นสาวุถุาปุถุชนกับสาวุชนนั้นจะไม่รู้จักคำว่าบารมีหรือวร่ารู้จักคำว่า บุญเท่าไหร่นักคือไม่ชัดเจนเลยสติสตองโดดนั้นเ้าเรียกว่าจิตกลางน้ําใต้น้ําแต่เห็นว่าผู้ปฏิบัตินั้นอยู่ตรงนี้พอที่จะสร้างความเข้าใจเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าคลี่คลายชีวิตก็คือจิตเราจะต้องคลี่คลายเรื่องกายของตนวาจาของตนและก็อารมณ์ของตนซึ่งกายวาจาหรือหรืออารมณ์ของตนนั้น ตั้งอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลูกเวทนาคือทุกข์สุดสัญญาคืออัตตาแห่งการยึดถือแล้วก็จิตนิธรรมสามเดือนเนี่ยคงจะได้ได้เรียกว่าคร่าว ได้เรื่องราวพอเป็นคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางของชีวิต